แล้วลําแสงของทิวาการก็ชาบขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเชิงขุนเขาอันเป็นตําแหน่งที่ตั้งสายน้ำตกใหญ่นั้นส่องความสว่างรางๆลงมาบริเวณที่พมนักชั่วคราวของอนุชาวราริกเฉฐาไม่อาจทราบได้ว่าในระหว่างพักพวกที่ร่วมเหตุการณ์นั้นมีใครม้อยหลับไปอย่างเขาบ้างหรือไม่ แต่ตนเองนั้นได้งีบไปบ้างด้วยความฝันอันนานประหลาดลำ้ำเมื่อเขาขยับตัวลืมตาขึ้นเห็นไฟในกองที่ก่อไว้กําลังจะมอดดับนันอินนั่งเอ็หลังพิงกะขยินใบหน้าของคนทั้งคู่ซบอยู่กระท่อนแขนทั้งสองที่วางพาดอยู่กระเข่าที่ตั้งยันพื้นส่วนอนุชาและสายหชยันพากันนั่งซึงตามองจับอยู่ที่กองไฟเบื้องหน้า โดยไม่ได้พูดอะไรกันทั้งสิ้นดูเหมือนทั้งสองจมลึกอยู่ในห้วงพวังทั้งทั้งที่ดวงตายังลืมอยู่หมอกสีเทาจางๆลอยปกคลุมราวป่าอยู่ทั่วไปยังแลเห็นอะไรได้ไม่สู้จะถนัดนักการได้พักลงบ้างแม้จะชั่วขนาดหนึ่งช่วยทำให้สมองของท่านหัวหน้าคณะโปร่งแจ่มใส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 แทนคำตอบชยันสันหน้าช้าๆส่วนนันอินและขยินกระวีกระวาดลุกขึ้นเคลื่อนไหวโดยเร็วคนหนึ่งสุมไฟเพิ่มเข้าไปอีกคนหนึ่งล้วงเอาเครื่องกระป๋องแบบเรั่นที่ติดย่ามหลังอยู่ออกมาเตรียมอุ่นไฟทันทีเพื่อปะทะประทังไปก่อนสำหรับกระเพาะในยามเช้านี่คุยกันจนสว่างคาตาเลยเหรอเนี่ยอดีตท่านทูตทหารบก กล่าวถามต่อมาลุกขึ้นมานั่งใกล้ๆพร้อมกับบิดกายอย่างเมื่อยขบและหน้าเพื่อนและน้องชายซึ่งเห็นซีดเซียวก็คุยกันซะจนไม่มีอะไรจะคุยได้อีกแล้วเชิดถาตอบเสียงแผลบยกมือทั้งสองขึ้นลูปหน้าแรงๆแล้วมีอะไรขึ้นหน้าบ้างไหมใครมีแนวความคิดหรือมองลูกทางอะไรอย่างยังไงมั่งละ่ะ อนุชาคอตกแต่ก็ฝืนยิ้มก็ไม่มีอะไรคืบหน้าล้วครับพี่ใหญ่ถ้าจะมีก็มีแต่เฉพาะปัญหาที่ยังจบไม่ได้เท่านั้นแหละพี่ชายใหญ่ของคณะเอื้อมมือไปตบไหล่คนทั้งสองเบาๆพี่ว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดอย่าทรมานตัวเองโดยไร้ประโยชน์เลยเอาละนี่ก็เช้าแล้ว เราคงทำอะไรได้ถนัดกว่าเวลากลางคืนมากเดี๋ยวพี่เจวิทยุเรียกให้นายชวนเอาลูกหาบทั้งหมดแล้วก็ข้าวของขอ ง, ของเราลงมาสมทบที่นี่เราก็จะรออยู่ตรงนี้จนประพวกนั้นจะเดินทางลงมาถึงระหว่างนี้ก็หาอะไรรองท้องไปก่อ น, น้วกันลุงอินกับขยิงรอบคอบดีมากอะที่จัดการสำหรับอาหารมื้อเช้าเพื่อประทังชีพไปก่อนโดยไม่ต้องสั่งเราต้องมีกาลังมีแรงซะก่อนถึงจะทาอะไรต่อไปได้ ประโยคหลังเขาหันไปพูดกับนานอินและขยิงด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มซ่อนรอยกังวลไว้ไม่เปิดเผยอกมาให้เห็นแล้วความวิทยุขึ้นมาเรียกพักพวกที่ยังรอกันอยู่ตรงตำแหน่งผาสูงขึ้นไปเขาเรียกอยู่สองสามครั้งก็ปรากฏเสียงอู e ้อีของหัวหน้าลูกหาตอบรับลงมาจึงออกคำสั่งให้ทุกคนบนนั้นเคลื่อนย้ายลงมาสมทบพร้อมกับสัมภาระท่าของทันทีซึ่งนายชวนก็รับคา มากินอาหารเช้ากันตรงนี้ทุกคนเลยนะรีบลงมาก่อนแล้วกันรีบลงมานะจะรอประโยคท้ายเขากำชับขึ้นไปแล้วก็เลิกการติดต่อบิดกายจนกระดูกลั่นกรอบแกรบช้ยันกับอนุชาก็ลุกขึ้นยืนดับตัวอย่างเมื่อยขบบ้างสะบัดแขนขาไปเชืทาจุดชิกาสุภายหลังจะตื่นขึ้นมา เป็นชิก้าเก่าที่เขาดับไว้ครึ่งตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพูดเปรย์ๆกับทั้งสองคนว่าปเดี๋ยวเมื่ออะไรพร้อมเราก็จะเริ่มออกตามโดยอาศัยเส้นทางที่กระแสน้ําพัดลงไปหนิลนะโดยอนุมานเอาว่าเม่หีบวัชภัณฑ์ที่น้อยกอดเด็กตัวอยู่มันม า, มาติดข้างอยู่บริเวณ น, นี้แล้วเราก็ค้นพบแล้วตัวเขาเองก็คงจะถูกกระแสน้ําพัดต่อลงไปอีก ในเส้นทางเดียวกันแต่ต่ำลงไปมีใครจะแย่งเป็นอย่างอื่นมั่งไหมอนุชาหนึ่งชยันตอบเสียงต่ำๆมาว่ามันก็คงเป็นวิธีเดียวแล้วมั้ที่เราจะทำได้เพราะมองไม่เห็นทางอื่นนี่เออตอนที่ฉันหลับไปสองคนคุยอะไรกันมั่งเนี่ยเทศถาถามเสียงเรียบเรียบ ก็ไม่มีอะไรตางะ่ะขอทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับนิทรานาครที่เราเคยผจญภัยกันมาก่อนแล้วซึ่งฉันก็อธิบายเขาฟังหมดทุกแง่ทุกมุมแบบฉายซ้ำอะ่ะเพราะรอบแรกที่ฉายนะ่ะเขาไม่ตั้งใจดูอืมควรจะศึกษาให้ผูกโปรง่งแล้วควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้มานานแล้วละ่ะที่จริงอะ่ะพี่ชายใหญ่พ่นขวัญซิกาแลไปทางน้องชายผู้เดินวนไปมาอยู่ใกล้ๆ แล้วกลางได้ความคิดอะไรขึ้นมามั่งแม่พี่ใหญ่ครับผมเกรงว่าน้อยถ้ายังไม่ถึงแก่ชีวิตในตอนนี้เพราะแรงกระแทกของน้ำพัดก็น่าจะตกอยู่ในกํามือของไอ้ผีร้ายเจ้าเล่นั่นแล้วละอนุชาบอกตรงๆตามความรู้สึกของเขาอย่าเพิ่งมองอะไรในแง่ลบสิท่านหัวหน้าคณะกล่าวช้าๆเขาน้าเรียก จนยากที่จะอ่านความรู้สึกภายในได้พี่ก็แน่ใจนะน้อยจะไม่เป็นอะไรมากกราบใดก็ตามที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ององค์ยังไม่หลุดจากคอน้อยอย่างที่เคยบอกแล้วมันไกลก็ยังก็เช่นกันถึงยังไงก็ทำอะไรน้อยได้ไม่ถนัดนักรักเชื่อคาเฟ่สำเร็จรูป และซุปมัคกโรนีเดือดทั้งห้าคนเข้ามาร่วมวงกินรองท้องกันไปตามมีตามเกิดอาศัยเวลาระหว่างนี้รอพวกลูกหาบที่กำลังเดินทางลงมาสมทบด้วยครั้นแล้วระหว่างที่จิบกาแฟท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลก็หันมาถามครูพรานผู้เฒ่าว่าลุงอินลุงเรียนทางสายเวทมาม า, มากะ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 จนในที่สุดก็กลายเป็นวงกลมแล้วก็ตายติดกันอยู่ในสภาพที่พยายามจะกินกันอย่างที่บอกให้ฟังนานอินหูพึงทำหน้าชะงนทันทีจ้องหน้านายใหญ่ขณะที่ชายันและอนุชาก็แสดงอาการประหลาดใจในคำพูดแบบไม่มีปีมีคลุยของเชษฐาจ้องมาเป็นตาเดียวไอ้หมูตั้งฝ่าย ต่างกลืนหางของอีกตัวหนึ่งแล้วมาติตายเป็นรูปวงกลมเอ๊ะแม่ใหญ่นึกยังไงถึงได้ถามนานอินอย่างนี้เอาเถอะนะลุงฉันถามลุงว่าเคยเห็นหรือเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือเปล่าครูพรานผู้เท่าอึง้งไปนานแววตาชราของแกมองจับที่เชฐาอย่างมีอะไรสะกิดใจยิ่งเหมือนจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่าง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 ก็จงเก็บรักษาไว้เถอะเพราะเทพเจ้าแห่งหน้าคราสัญแดงเป็นปาฏิหารเพื่อมอบของดีวิเศษสุดไว้ให้แก่ผู้พบหินมันจะเป็นให้คุณวิเศษแก่เสนียดจันไรเพศภัยได้ทุกชนิดไม่ต้องไปปลุกเสกลงเลขยันอะไรอีกแล้วใช้เป็นเครื่องคุ้มตัวได้ทันทีแก่ขุนไสผีข้าวทำลายเวทมนต์ คาถาเดรรชานวิชาชั้นต่ำทุกชนิดให้เสื่อมลงไปหมดนั้นอินเคยได้ยินเคยรู้สรรพคุณแต่เดินป่ามาจนแก่ป่านนี้ก็ไม่เคยพบเห็นสักกทีอย่างมากก็เคยเห็นแข่งงาช้างกำจัดไข่นกเป็นหินช้องหมูคดไม้ไอ้งูกลืนหางกันเองเป็นรูปวงกลมนะ่ะเขาเรียกว่านาคาบาด ไม่เคยพบไม่เคยเห็นสักทีฟังแต่เขาสั่งสอนกันต่อๆมานานอินแปลกใจที่นายนึกยังไงถึงเอาเรื่องงูกลืนหางกันเองเป็นวงกลมแล้วมาถามนันอินเช้าวันนี้เออนั่นสิเชี่ยถาแกไปเรื่องนี้มาจากไหนวะเกิดมายังไม่เคยได้ยินงูอะไรจะต่างฝ่ายต่างกลืนหางอีกตัว ยังก็เอาท่อยางพลาสติกสองเส้นมาสอดหัวสอดท้ายเข้าหากันแบบนั้นใชยันซักมาด้วยเร็วชวถารีตาลงนิดนึ่งเอานิ้วเาคาะขมักพึมพมเอ๊น่าคิดใชละจากคำบอกเล่าของลุงอินไหนไหนไหนลงุงลองบอกให้แน่ใจอีกทีสิลุง ลักษณะของงูกินหางแบบนี้ เ, เขาเรียกอะไรนะลุงหนักขบาทนายเขาเรียกว่าหนักขบาทมันจะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรอกแต่จะเกิดโดยการจงใจมอบมาให้ของเทพเจ้าแห่งงูแล้วมันแก้อะไรได้มั่ะกาลิเหตุเพศภัยทุกชนิดเหรอวิญญาณร้ายเหรอหรือคาถาอาคมทางเดียรฉันวิชา ยังงั้นเลยปะเขาก็ว่ากันยังงั้นแหละนายขนาดคนผีเข่าเอาหน้ากบาชนิดนี้นะ่ะคล้องฉับเดียวเพ้นนี้ไม่ได้อีกแล้วเรียกมาเก็บลงขวดลงหมอ้อถวงน้ำไปได้เลยไอ้พวกเก่งวิชาประเภทเสกใบไม้เป็นต่อแตนหรือทําควายธนูคุณนใสอื่นๆพวกยาสังใครมีหน้ากบาจังว่านี่ วิชาไฟาตรงข้ามมันจะเสื่อมทันทีเสือสมิงหงพรายผีใต่หงใต่หาจากักขมนรกไหนก็รอหน้าไม่ติดสัตว์ร้ายทุกประเภทไม่ว่าเขี้ยวงาเล็บจะไม่กล้าเข้าใกลย้ยิ่งงูแล้วยิ่งชงงัดนักละ่ะต่อให้จงอ่างโยนเข้าใส่ป๊บเดียวงอกอ ง, งอขิงเป็นกิ่งกือหมดริทไปเลย ลากเอามาเหตบากมันได้ชื่อนายแน่ใจอย่างนั้นใช่หรือลุงท่านหัวหน้าคณะเน้นเสียงถามนย ใ, ใหญ่นานอินก็บอกแล้วไงว่าไม่เคยเห็นไม่เคยลองแต่ครูพรานคนเก่าแก่โบราณนะ่ะเขาสอนกันไว้นักหนาะถ้าพบเห็นล้วให้เก็บไวด้ดีแต่นั้นอินไม่เคยพบสักทีเหล็กไหลว่าหาได้ยากที่สุดแล้ว นาครับบาดแต่ยังหาได้ยากกว่าเกิดเป็นตัวเป็นตนนะนอกจากไม่เคยเห็นของจริงและยังไม่เคยรู้ข่าวด้วยว่าใครที่ไหนมีหลวงพ่อองค์ที่เลี้ยงไอแง่ทายมาก็เคยบอกนานอินไว้แต่ท่านก็ไม่เคยบอกว่าท่านมีเอาล่ะคราวนี้สมมติอีกทีนะเชืถาถามต่อไปโดยยังไม่สนใจว่า ทั้งน้องและเพื่อนชายจะรุมล้อมซักเขาเช่นไรเกี่ยวกับที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอย่างไม่มีข้าวเงื่อนมาก่อนลุงสมมตินะว่าถ้าเรานะ่บังเอิญได้นาขาบาทอย่างว่านั้นล้วจะทำลายอาถรรพ์อิทธิฤทธิ์ของไอ้มันไรและนิทรานครได้ไหมปัทโธนายใหญ่ถ้าเรามีของดีวิเศษอย่างนั้นละก็ ต่อให้อีกสิบมันไรก็เป็นจุนมาหาจุนไปเท่านั้นมนตราอาคมอุบาทของมันจะเสื่อมไปหมดทันทีเมื่อคือนนี้พรานชดก็ปรึกษากนานอินแล้วว่าเราจะเล่นงานกับมันยังไงดีกนานอินก็ยังมองไม่เห็นทางและก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนักบาตอย่างว่านี่พราะนึกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกจะไปหาได้ที่ไหนและถ้าจะมีอีกอย่างนึงก็คือพระธาต ของพระพุทธองค์หรือพระสาวกที่เนืพานไปแล้วนะ่ะมันก็หายากพอๆพอกันเราจะไปหาพระาธาตุมาจากไหนที่เป็นของแท้ท่านหัวหน้าคณะเม้มปากเกือบเป็นเส้นตรงพยักหน้าลงช้าๆอย่างมีอะไรอยู่ในหัวคิดของเขาขณะนี้นิ่งไปอีกพักใหญ่จึงหันมากล่าวเป็นงานเป็นการกับอนุชาและชยยันว่า กตะกี้ที่งี่ไปได้สองสามชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฝันอะไรไปแปลกๆสารพัดมันไร่ๆดีๆยังไงบอกไม่ถูกนะแต่แรกก็ฝันเห็นระพินสมซานผอมโซเดินไปป่าอยู่กลางป่าคนเดียวจะตามเรียกเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันต่อมาก็เห็นน้อยกลายเป็นหินนั่งอยู่บนแท่น มีเครื่องแต่งกายทนิมปิมพาพรแล้วก็มงกุฎราวกับเจ้าหญิงจะเขย่าเรียกยังไงยังไงก็ยังเป็นท่อนหินอยู่อย่างนั้นเขาหลับตาลงเอามือบีบขมับแล้วพูดต่อมาเบาๆว่าแล้วในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตื่นขึ้นมาเนี่ก็ฝันว่าตัวสางหาเลื้อยผ่านมารู้สึกว่าปา่าทั้งป่านะั้นลุกเป็นไฟ ล้อมรอบตัวไปหมดร้อนร้อนแทบดับจิตขณะที่ฝันน่ะอยู่คนเดียวไม่มีใครอื่นของพวกเรารวมอยู่ด้วยในฝันก็ว่าคงตายแน่แต่ในใจก็บอกว่าก่อนตายก็ขอภาวนาสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อจะได้ไปสู่สุกติภพแต่มันแปลกมากนะสางหาตนนั้นได้เลื้อยเข้ามาจนใกล้ จ้องมองดูพี่แล้วก็ช่วอีกใจเดียวภาพของงูมีไฟมีตีนตัวนั้นก็จางหายไปกลายเป็นภาพของผู้หญิงสาวสวยสีผิวกายในะราวกะสีหม่อใหม่มีมงกุฎเป็นรูปงูประดับเพชรนินจินดาบุบว่ากไปหมดประดับอยู่บนอยู่เหนือเสียนตอนนั้นพี่ก็ซุดตัวลงพนมมือ กราบที่สตรีลักษณะประหลาดนางนั้นหรือองค์นั้นรู้สึกว่าเราจะมีการพูดจาอะไรกันด้วยหลายประโยคทีเดียวแต่ตอนนี้จำไม่ได้ซะแล้วรู้แต่เพียงว่าพี่นะกราบขอพรขอความคุ้มครองสวัสดิภาพเธอก็ยิ้มแย้มด้วยลักษณะและคำพูดจาทักทายเต็มไปได้วยความปราณีแต่ก็ไว้ตัวอย่างนางกษัตริย์หรือเทวนารีอะไรประเภทนี้หละ แล้วเธอก็ขอสัญญากับพี่ในข้อหนึ่งคือต่อไปภายหน้าขอให้ไว้ชีวิตอย่าได้ทำอันตรายใดๆต่องูทั้งหลายในโลกนี้อีกเลยจะได้ไหมพี่ก็รับปากไปว่ายินดีที่จะปฏิบัติตามที่เธอต้องการโดยถวายสัตย์จักรเธอก็ปลดกำไรเพชร ท, ที่ข้อหับเป็นกำไรที่สวยงามมากเลยเป็นรูปงูสองหัว โยนมาให้กับพี่บอกว่าขอมอบไว้ให้เป็นเครื่องป้องกันตัวขณะที่กําไรอันนั้นลอยมามันสว่างพร้าวเหมือนตะไลเพลิงปรากฏแสงวูบวาบเป็นวงกลมไฟพอพี่รับไว้ได้ก้มลงมาดูก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นงูสองตัวลักษณะกลืนหางกัน แล้วก็ตายแห้งอยู่อย่างทิศฐานนานอินดักี้นี่แหละฮาชยันอนุชาอุทานลั่นออกมาพร้อมกันส่วนนานอินโดโตูงขึ้นยืนตะลึงไปอึดใจหนึ่งพอตั้งสติได้ก็โผเข้ามาที่เขาเขย่าแขนโดยแรงร้องมาว่าเจ้านายผู้หญิงคนนั้นนะ่ะคือคือหน้ากะเทวีหรือมิฉะนั้นก็ธิดาของหนักราช กำไลงูที่โยนมาให้น่ะก็คือหน้ากระบาดอาวุธสําคัญที่สุดของพญานาคทั้งหลายแล้วที่กลายเป็นรูปงูสองตัวกินหางกันก็เป็นการบอกบใบ้นายใหญ่รู้ว่าถ้าพบเห็นงูสองตัวกินหางกันติดคาเป็นวงกลมเมื่อไรก็ให้เก็บไว้นั้นชินรู้แล้วความฝันของนายน่ะหมายถึงอะไรมันเป็นฝันที่ดีที่สุดทิดาพญานาค มาชี้ช่องทางแก้เคล็ดไทยกระเราแล้วแล้วนั้นอินก็แทบจะแฮกปากโ h ร้องออกมาด้วยความดีใจขีดสุดชายันและอ น, อนุชาก็เต็มไปด้วยความปีติระคนฉงนเหลือที่จะกล่าวเข้ามารุมล้อมเชษฐามันมันเป็นความฝันเท่านั้นนะพอตื่นขึ้นมาฉันก็มองไม่เห็นงูกินหางสองตัว รือหน้ากบาาอยู่ที่ไหนเลยนี่เชษาแบมือพลิกไปมานายไม่ต้องกลัวหรอกไม่ช้าไม่นานนี่แหละหนายต้องเจองูกินหางเป็นวงกลมอย่างที่พบในฝันแน่ๆนี่นะเป็นล้างบอกบ้าให้รู้ล่วงหน้าว่าจาพบงูกินหางที่ไหนเลยเก็บไว้อย่าผ่านพ้นไปซะเพราะหน้ากะเทวีทอดกาไรจากข้อมือให พอโยนมาตกตรงๆหน้าก็กลายเป็นตัวงูสองตัวกินหางกันแหละกันมันกระเถิบกับเป็นการชี้บอกอยู่ชัดๆแล้วนั้นอินเชื่อว่านายใหญ่หรือพวกเราคนใดจะต้องพบของประหลาดชนิดเน่แน่ๆไม่ช้าก็เร็วแล้วถ้าเรามีหน้าขบบาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละไอ้มันไรก็ไม่มีวันผุดวันเกิดหรือหวนกลับมาได้อีกแล้ว ต้อยมันมีอิทธิฤทธิ์ล้นฟ้าสักแค่ไหนก็ตามเ้เชิดาผิวปากยาวมองหน้าทั้งเพื่อนและน้องชายผู้ตั้งหน้าตื่นอยู่ถามเบาๆว่าเออแล้วสองคนเนี่ยคิดไงเชิดาถ้ามันจะเข้าค้าตามที่ลุงยินว่าช่แล้วละ่ะสำหรับความฝันของแกเชิดาพูดเสียงสัน่น มันเป็นสิ่งประหลาดมากเชียวกําไลเพชรโทษออกจากข้อมือของสาวสวยที่ครั้งแรกแกเห็นเป็นตัวสังหาโยนมาให้แกเมื่อแกขอพรขอสวัสดิภาพคุ้มครองแล้วพอตกมาตรงหน้าก็กลายเป็นซากแห้งของงูสองตัวกลืนหางกันและกันนั่นคือการบอกใบ้ว่าถ้าพบก็ให้เก็บไว้ก็ยังไม่ได้เล่าความฝันให้ลุงยินฟังก่อน แตไตาถามถึงความเป็นมาสัพพคุณของงูกลืนหางเป็นวงกลมซึ่งหลวงอินก็บอกให้ตามที่แกรู้โดยที่หลวงอินไม่ได้รู้ความฝันที่แกอุบไว้ก่อนเมื่อมันมาสอดคล้องกันได้อย่างนี้ก็แปลว่านาคเทวีองค์นั้นน่ะมาเข้าฝันบอกถึงวิธีแก้อาถาันกาลีของมันไตรให้กแก่แกและพวกเราจริงๆมันก็เหลืออยู่เองเดียวเท่านั้นแหละคือเมื่อไหร่เราถึงจะพบงูสองตัวขมือผางกันและกัน แล้วเราก็เก็บเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งโดยความฝันแบบนี้แต่ก็รู้แน่แล้วว่าสางหาหรือแท้ที่จริงก็คือนางพญานาคราชจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อพวกเราเลยเชิถทาเองก็อยู่ในอาการงงๆพนมมือขึ้นจดสีษะสาทุก้อยเป็นเช่นนั้นจริงๆเธอและตอนนี้เราจะทำยังไงต่อไปดี ก็ตามแผนเดิมนะครับพี่ใหญ่หนึ่งรอพวกลูกหามาสมทบพร้อมกันที่นี่ก่อนสองออกติดตามหาน้อยเป็นลำดับต่อไปแล้วก็สามเราว่าเมื่อไหร่เราจะได้นักขบาทอย่างที่ลุงอินว่ามาแล้วแล้วถ้าได้มาแล้วล่ะเชิาเอ่ยกุกะกักอย่างไม่แน่ใจ เราจะนำหนักขบาตนั้นมาใช้ยังไงกับมันไรล่ะ <laughs> นานอินหัวร่อร่าออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งนานๆนนทุกคนจึงจะเห็นแกหัวร้ออย่างนี้สักครั้งหนึ่งปะโถเรื่องนั้นนายใหญ่ไม่ต้องห่วงคอยเราพบเห็นหนักขบ่าทีท่ธิดาพญานาคบั้นดานทิ้งไว้เราก่อนเถิด นั่นยินจะเล่นกับโคตรของไอ้มันไตรเองสารพัดวิธีที่จะฉากรรมันได้ขนาดไม่มีอะไรเลยถ้าเรามีนากระบาดไว้มันก็จะไม่กล้าเข้ามาข้องแหวะกะเราอีกเลยหรือถ้าจะบุกลุยกันในถึงที่เอานากระบาดเข้าโยนใส่มันวิญญาณของมันที่ถอดไปโน่นไปนี่สิ่งนั่นสิ่งนี่ได้ จะถูกหน้ากบาดมัดไว้กระดิกไปไหนไม่ได้อีกแล้วเวทมนต์วิชาอาคมมันจะย่อยยับเสื่อมสิ้นหมดเอาไว้ถึงเวลานั้นก่อนเถอะแล้วนันอินจะทำให้นายดูไฟประไล่กันยังไงอย่งงางนั้นเชียวแหละนายเอ้ยแต่ก็นั่นแหละนะเราจะพบงูกลืนหางที่เรียกว่าหน้าขาบานในใดที่ไหนเมื่อไหรเท่านั้นแหละ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 มันก็ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีศีลสัต์เป็นผู้ที่น่าเคารพที่สุดของคณะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกะล่อนขี่ปดมดเทชรปั้นน้ำเป็นตัวที่ไหนพี่ใหญ่ครับเรามีข้อพิสูจน์กันได้อีกครั้งหนึ่งแลครับอดีตพรานชดกล่าวเริ่มมีเสียงกลังวนใสขึ้นถ้าความฝันของพี่ใหญ่เป็นจริง เทพธิดาแห่งหนาคราชหยิบยื่นการช่วยเหลือมาให้กับพวกเราจริงเราก็ต้องได้พบสิ่งที่ลุงอินเรียกว่านาคบาตจริงในระยะเวลาก่อนที่พวกเราทั้งหมดหรือคนใดคนหนึ่งจะพินาศไปแต่ถ้าเราไม่พบของสิ่งนั้นมันก็เป็นแต่เพียงความฝันในภาวะที่พี่ใหญ่กำลังตกยากลำเค็นอยู่กลางป่าเท่านั้นครับเธ อ, อสรุปได้ถูกต้องเชิดถายยอมรับ เอาละตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปถ้าเราพบงูกลืนหางกันเองสองตัวเป็นวงกลมก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดเดารับมือกับมัน ไ, ได้แน่แต่ถ้าไม่พบความฝันของพี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งไร้สาระแล้วถ้ามันเป็นความจริงฉันว่าเราก็ควรจะได้พบสิ่งนั้นโดยเร็วที่สุดด้วยละ่ะชยันเสริมมา มีเสียงฝีเท้าคนหมู่มากเดินย่ำกรวดลงมาจากลาดด้านบนและให้เสียงสัญญาณกูโวกเวกขยินป้องปากกูตอบออกไปชั่วอึกใจใหญ่ก็แลเห็นนายชวนนำคณะลูกหาบแบกหามสัมภาระข้าวของลงมาอย่างระมัดระวงังตามแก่งแง่หินเพื่อตรงเข้ามาสมทบอยู่มากต่างดีใจที่เห็นทั้งห้าคนอยู่ครบ และกำลังกินอาหารรออยู่แต่พอทักทายสอบถามกันสองสามคำทราบว่าไม่มีวี่แววของนายหญิงต่างก็หน้าแห้งสลดกันไปอีกเชษฐาเร่งสั่งให้พวกนั้นลงมาอุ่นอาหารกระป๋องและกินให้เสร็จซะโดยเร็วเพื่อจะได้ออกเดินทางติดตามดาริน1 4 2ชาวตรูของภาวะวิกฤตทางฝ่ายเชษฐาอันเป็นเวลาเดียวกันนี้ เป็นเช้าตรู่ของราตรีที่ผ่านไปอย่างไม่มีอะไรกระตุกกระตากทางฝ่ายติดตามค้นหาซากเครื่องบินตกซึ่งวางแคมป์พักกันอยู่บนยอดเขาเหนือทะเลสาบใหญ่โดยสิ้นเวลาเปลืองเปล่าไปแล้วถึงสองคืนมันเพียงแต่ว่าเวลาประมาณตีสามเศษระพินไพรวันสะดุ้งผวาขึ้นมาอย่างพรวดพราดลักษณะเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายกระทันหัน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 คนเดียวเท่านั้นเขาคงจะนั่งอยู่ในลักษณะนั้นนานในสภาพตะลึงตะไลงงงันเหมือนถูกสะกดหล่อนจึงค่อยๆขยับกายลุกขึ้นเดินอ้อมมาทั้งด้านริมสุดและสุดกายลงใกล้ๆ ก, กระซิบขณะที่จ้องหน้าเป็นไรระพินระพินสะบัดหน้าแรงๆสองสามครั้ง และเอานิ้วคีบสันจมูกหลับตาลงเปล่ปาเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกคริสผมคงฝันแบบแต่ท่าทางคุณน่าตกใจมากนะระพินเพระลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนคว้าปืนด้วยคุณเห็นตลอดเหรอคริสมันก็อาจจะบังเอิญก็ได้นะระพิน ก่อนหน้าคุณจะดึงกายพูดพลาดขึ้นมาฉันบางเงินรู้สึกตัวพอดีกำลังดูนาฬิกาข้อมือก็เลยเห็นลักษณะอาการทะลึ่งตัวขึ้นมาของคุณนี่มีใครในพวกเราผมหมายถึงคุณเองหรือเบลละเมอร้องกรีด๊ดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้จอมพรานถามเสียงแผ่วติดกุกกักในลาคอ เอามือทั้งสองรูปเสยผมขณะที่ยังนั่งก้มหน้าอยู่ในสภาพนั้นคริสติน่าสายหน้าช้าๆตาจับนิ่งอยู่ที่เขาไม่เปลี่ยนเอื้อมมือมาแตะไหลไม่นี่ระพินไม่มีใครละมือร้องขึ้นมาสักคนไม่คุณฝันร้ายเหรอคริสผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะใช่ใช่ มันคงจะฝันร้ายนั่นแหละแต่ผมก็จำความฝันไม่ได้ใช่แล้วหูว่าจะเสียงกรีดร้องของผู้หญิงนะขณะที่พึมพำระพินกว่าตามองดูฝ่ายนายจ้างของเขาที่พากันนอนเรียงรายสงบเงียบอยู่เหมือนจะสารวจจำนวนคนแล้วแลเลยออกไปยังกองไฟที่พวกลูกหากและพรานพื้นเมืองของเขาเก่อไว้ซึ่งบัดนี้โทมลงเหลือแต่เท่าแด ง, แดง นี่ระพินลักษณะของคุณหวาดผวาแล้วก็ทุกข์ใจเหลือเกินมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหมเนี่ยขอไว้เลี่ยมสักห้ามิลแล้วกันถ้าไม่ต้องไปค้นหาให้มันเอือ ก, กรึกยุ่งยากเกินไปนักคริสติน่าถอนใจนิดหนึ่งล้วงลงไปในกระเป๋าเสือ้อซึ่งสวมทับด้วยแจ็คเก็ตของหล่อน ใจเดียวก็ส่งยากล่อมประสาทเม็ดเล็กๆให้เม็ดหนึ่งระพินรับมาโยนใส่ปากกลืนโดยไม่ต้องใช้น้ำและบิดกายอย่างเมื่อยขบบอกต่อมาว่าขอบคุณนะคริสกลับเข้าไปประจำนอนเถอะกล่าวจบเขาก็ลดนกไรฟื้นลงและวางไว้ข้างกายในลักษณะเดิมแม่ผมทองดึงไหล่เขาให้นอนราบลงตามเดิม ตัวหล่อนเองก็เอนกายลงข้างๆเขาทางซีด้านนอกสุดในลักษณะตะแคงเอาศอกยันพื้นวางคางลงกับฝ่ามือนี่ระพินฉันจะนอนดักคุณไว้ริมด้านสุดเนี่ยนะเกิดอาการอะไรแปลกๆขึ้นอีกจะได้รู้สึกตัวทันฉันว่าประสาทคุณตอนนี้ไม่ค่อยจะดีนักนะระพินพร้อมกล่าว หลันจับข้อมือเขาตรวจตรงบริเวณชีพจรตามปกติเนี่ยคุณเป็นคนมีหัวใจที่เต้นช้าแล้วก็หนักแน่นในจังหวะสม่ำเสมอแต่ดูตอนนี้ดีมันเร็วแล้วก็ผิดปกติเอาละฉันจะไม่ถามแล้วว่าคุณฝันร้ายยังไงเอาเป็นว่าคุณพักหลับแล้วกันนี่ผมกลายเป็นคนไข้ในความดูแลของคุณอีกแล้วเหรอ บ้าจริงอย่าคิดอะไรมากสิคุณเราก็เพื่อนกันยามใดใครอ่อนแอกว่าอีกคนนึงก็จงต้องช่วยอย่างที่คุณเคยช่วยฉันแล้วฉันก็เคยช่วยคุณมาแล้วมันก็สุดแต่โอกาสอะ่ะแล้วคืนนี้ผมอ่อนแอเหรอคริสมันก็อาจเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะระพิน แล้วตัวคุณอะนอนสลบมาตั้งแต่บ่ายตลอดมาจนใกล้ค่าเพราะพิษแมงมุมตอนนี้คุณกลับแข็งแรงดีแล้วในดึกดึงคืนเนี้ยฉันก็เหมือนกับคุณแหละและพีนถึงไม่เหมือนกันมาก่อนก็ต้องฝึกให้เหมือนในตอนนี้คือเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายและถ้าจะหายก็ต้องแข็งแรงในทันทีอจะมาทำป้อแปะปวกเปียกอยู่มันไม่ได้ อ่หลับซะผมจะพยายามคุณก็เหมือนกันควรพักหลับเรามาเสียเวลากันอยู่ที่นี่สองวันเต็มๆนะพรุ่งนี้เห็นที่จะต้องบุกหนักต่อแล้วสำหรับฉัน่สบายมากละระพินคุณหลับฉันก็หลับคุณตื่นฉันก็รู้สึกตัวนั่นนะ่ะมันควรเป็นหน้าที่ของผมคริส มันไม่ใช่หน้าที่คุณเนี่ยเอาก็บอกแล้วไงว่าจะฝึกให้เหมือนคุณให้ได้ไงเพื่ออะไรอ่ะคริสก็เพื่อจะได้เท่าทันทุกอย่างในป่านี่ยังไงล่ะจาได้ไหมคืนหนึ่งฉันไม่สบายนิดหน่อยแต่ความฟุ้งซ่านมันมากฉันนอนไม่หลับแล้วคุณก็เป็นคนมาทำให้ฉันหลับด้วยบทกวีบทหนึง่ง แล้วฉันก็หลับไปอย่างสงบที่สุดภายหลังได้ฟังบทกวีของคุณจำได้บทกวีบทนั้นนะ่ะข้อความว่าไงนะคุณผมลืมมแล้วก็น่าจะลืมหรอกระหว่างเราสองคนคุณไม่ได้มาอินังขังขอบอะไรกับฉันเนี่ยไม่มีอะไรประทับใจจะเอาเอะ ฉันไม่เรียกร้องแสวงหาสิ่งนั้นมาจากคุณหรอกแต่ก็อยากจะสนองตอบปฏิบัติต่อคุณเหมือนอย่างที่คุณปฏิบัติต่อฉันณนะคืนอันนอนไม่หลับนี่บ้างเอาไหมรพินหลับตานิ่งนิ้วแผวของคริสติน่ากรูบินไลมาที่เปลือกตาเขากระซิบต่อระพิน อย่าทำเป็นคนความรู้สึกหยาบกระด้างจิตใจเป็นหินนักสิฉันรู้รู้ว่าคุณยังไม่หลับแล้วก็ยากที่จะหลับได้จากความฝันเมื่อครู่นี้ตกลงผมจะฟังให้ฉันฟังหัวใจคุณก่อนได้ไหมจะได้ร้อยกรองออกมาได้ถูกจากความในใจของคุณในขณะนี้ ดีไหมคุณไม่มีวันอ่านหัวใจแท้จริงของผมออกหรอกอย่าท้านะรพินว่าแล้วแม่ภูเขาน้ำแข็งที่เขาเคยคิดตั้งสมญานามในอดีตเมื่อแรกพบกันก็เอาหูแนบฟังลงกระแผ่นอกของเขาตรงตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจอึดใจหนึ่งก็เงยขึ้น ไงหัวใจผมบอกกับคุณว่าไงคริส <c oughs> มันก็บอกว่า <c oughs> ฉันทำคารเธอซะจริงๆไม่หญิงแพทย์สยาผิดครับมันบอกว่า <c oughs> ถ้าไม่ผิดสัจจะที่ให้ไว้กับผู้หญิงที่ฉันบูชา <c oughs> ฉันมีอะไรกับเธอเป็นนานนัแหละไม่ไรล่ะอมิเต <c oughs> มันว่างั้นเหรอคริสติน่าเบิกตา ทำหน้าตื่นถามน่ารักก็ตรงสัจจะข้อนี้แหละนะพยยอดชายนายระพินอ่ะทางนั้นฟังนะหัวใจของคุณมัน ค, คล่ำครวญออกมาด้วยบทร้อยกรองอย่างนี้ฟังนะบางครั้งฉันเคยหวาดประหลาด ปล่อยความคิดเลิดไปในคืนเปลี่ยวฝันถึงเพลงรักเก่าเศ้าแดเดียวสึกโดดเดียวรำพันในรำพึงถึงอดีตแสนหวานที่ผ่านพ้น มาเวียนวนเตือนตรึกระลึกถึงรักอย่างเรียบเพียกหาติดตราตรึงนะวันซึ่งเคยอยู่คู่เคียงกัน กระแสเสียงนั้นหวานกลางวานเหลือประมาณใช่แล้วมันแฉโพยหัวใจของเขาออกมาตีแผ่ทุกซอกทุกมุมอย่างถูกต้องที่สุดคริสติน่าไม่เคยร้องเพลงให้เขาได้ยินมาก่อนแต่ยามนี้หล่อนร้องได้เจ็บปวดแสบซวงเหลือประมาณแล้วเขาก็หลับสนิทไป ด้วยเสียงร้องเพลงเศร้าเย็นบุตรนั้นลอนอ่านใจก็ถูกอย่างแท้จริงนั่นคือเหตุการณ์ของกลางดึกสังัดของเมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าตรู่ของวันนี้ฝ่ายนายจ้างทุกคนตื่นขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็เป็นเหมือนปกติ คือไม่มีใครตื่นทันรพินในยามเช้าสักคนถ้าเขาไม่นอนสรมเพราะพิษเก็บ่ายได้ป่วยจอมพรานออกไปตรวจบริเวณก่อนแล้วตามปกติวิสัยแล้วก็กลับเข้ามาบงการกับคนของเขาในเรื่องหุงหาและตรัดเรียมเก็บเข้าของผมให้เวลา45สหนาทีนะครับเขาเฉียดใกล้เข้ามาร้องบอกกับคณะนายจ้างอมริกันและเชิดบุตร ซึ่งกาลังสารวนเก็บของเครื่องนอนกันอยู่เราจะออกเดินทางตามแผนซึ่งได้อธิบายไว้แล้วเมื่อคืนนะครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนายจ้างคนใดสักถามทั้งสิ้นกล่าวจบก็เดินสวบๆเข้าไปสั่งการกับพวกร้านพื้นเมืองของเขาอีกเช้าตู่วันนี้ดูเขาจะเครียดเหลือเกินอเมริกันเอาโศวเปรยขึ้นในหมู่พวกตน นั่นก็ไม่ใช่สิ่งผิดสังเกตหรอกตรงข้ามแตเสือนิราเริงแจ่มใสเมื่อไหร่นั่นถึงจะเป็นสิ่งประหลาดออกไปและเราก็ต้องระวังกันให้มากถ้าหมอเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกไปแบบนั้นนายคีดบอกแล้วก็ใช้เวลาช่วงสั้นๆก่อนจะแพ็กเครื่องวิทยุรับส่งพยายามติดต่อเรียกศูนย์บังคับการลอยอีกครั้งแล้วโครงหัวดิกๆไม่มีสัญญาณตอบรับหรือ ก, การเรียกลงมาเลย แม้จะใช้การเคาะรหัสมอสก็ตามจึงเก็บเครื่องในทันทีภายหลังเมื่อรับประทานอาหารเช้าและเก็บข้าวของเสร็จขบวนพร้อมที่จะออกเดินทางได้ระพินกลับเข้ามาพบกับฝ่ายนายจ้างของเขาอีกครั้งยิ้มให้กับทุกคนเหมือนจะเป็นกำลังใจเรากำลังจะเดินทางเดี๋ยวนี้นะครับใครมีปัญหาอะไรบ้างไม่เอ่ย พวกเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคุณแต่คุณรู้ดีกว่าฝ่ายเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะช่วยชี้แนะให้เราเข้าใจได้บ้างแม้จะโดยเร า, เ, ราเข้าคร่าวๆก็ก็จะดีนะด็อเตอร์สแตนลีย์พูดงั้นฟังนะครับเราจะบ่ายหน้าตะวันตกเฉียงเหนืออย่างที่บอกไว้แล้วอ้อมทะเลสาบใหญ่นี่ไตเขาลงสู่ดงทึบแม้จะมีสเสบียงอาหารสดเหลืออยู่บ้าง แล้วก็มีน้ําจากที่นี่ไปอย่างเต็มที่ปัญหาเรื่องการขาดอาหารขาดน้ําก็ต้องมีขึ้นแน่แต่เราผ่านพ้นปัญหาข้อนี้เพราะฝ่ายคุณมีการร ะ, ะเตรียมอาหารและน้ําสําเร็จรูปไว้แล้วเราจะไปกันตามสบายไม่เร่งร้อนนักแต่พยายามจะไม่ให้มีอะไรมาถ่วงเวลาทําให้ล่าช้าไปอีกข้าไหนนอนนั่นครับเขาประกาศช้าๆเป็นจังหวะ ตบหมวกลงกระขากางเกงไล่ฝุ่นมองละไปตามใบหน้าของฝ่ายนายจ้างทุกคนผมคงไม่ต้องเตือนนะครับว่าทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวขีดสุดเช่นไรอันตรายนอกจากจะมาจากภัยธรรมชาติแล้วก็ให้ระวังจากการรอบโจมตีในรูปแบบต่างๆของไอ้มอนสเตอร์ซึ่งจะเล่นงานเราทั้งซึ่งหน้าและรับหลังใครเห็นหรือสัมผัสสิ่งผิดปกติ ให้บอกผมหรือพรานของผมคนใดคนหนึ่งได้ทันทีครับจอมพรานแลไปที่คิดอันเป็นพนักงานวิทยุถามว่าคือแนนคิดวิทยุรับส่งติดต่อศูนย์บังคับการยังทำงานไม่ได้ผลอยู่ใช่ไหมครับอืมเร็วกว่าเมื่อคืนเนี่ยสิอีกคิดตอบมาอย่างสินส้นศรัทธาม่ยินดียินร้ายอะไรอีกเกี่ยวกับเครื่องรับส่งเครื่องใหญ่ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ควบคุมการเดินทางแต่วิทยุมือถือประจำตัวนี่ยังใช้การได้ดีถูกต้องไหมครับขอให้ต ร, รวจสอบซะเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนที่มีวิทยุประจำตัวเอาออกมาตรวจสอบทันทีรวมทั้งของเขาเองที่ได้รับแจกด้วยผลปรากฏว่าทุกเครื่องยังทางานได้เป็นปกติ รพินมีสีหน้าพอใจประกาศต่อไปว่าผมขอให้ทุกคนเก็บรักษาวิทยุประจำตัวให้ดีที่สุดนะครับเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดต่อถึงกันได้ถ้าจาเป็นอย่าให้ตกหลน่นสูญหายไปได้และแทนที่จะใช้เน็บเข็มขัดระหว่างการเดินทางผมอยากให้เปลี่ยนไปเก็บไว้ในย่ามหลังประจำตัวครับเพราะมันจะปลอดภัยกว่าในกรณีแตกแยกพวกหรือพลัดหลงกันออกไป ไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามขอเรียกกันทางวิทยุนะครับแต่ถ้าเรียกวิทยุแล้วไม่ได้ผลขอให้ส่งสัญญาณยิงปืนขึ้นสามนัดโดยเว้นระยะแต่ละนัดประมาณ1ิวินาทีแล้วกห็หยุดฟังสัญญาณยิงตอบในลักษณะเดียวกันจากอีกฝ่ายซึ่งหมายถึงว่ารับทราบและกำลังออกค้นหาจาไว้นะครับเมื่อยิงปืนเรียกแล้ว ฝ่ายที่คิดว่าตนเองหลงทางอยาเคลื่อนไหวไปไหนอีกเป็นอันขาดให้อยู่ในบริเวณที่เดิมรอจนกว่าฝ่ายค้นหาจะมาพบและถ้ายังไม่พบภายหลังจากที่ยิงเรียกชุดแรกไปแล้วนานเกินสมควร <c oughs> ก็ยิงเรียกขึ้นอีกแต่ไม่ควรจะกระชั้นเวลาถี่เกินไปนักผมรับรองครับว่าคนของผมหรือตัวผมเอง เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงปืนยิงเรียกจะเดินค้นหาที่มาของเสียงได้ถูกต้องเอาเป็นว่าควบคุมสติให้ดีนะครับเมื่อเกิดพลัดหลงและถ้าไม่แน่ใจอย่าพยายามเดินค้นหาพวกด้วยตนเองเว้นแต่จะมีพรานของผมคนใดคนหนึ่งหลงพลัดเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้วยซึ่งเข้าใจข้อแนะนําเองว่าควรจะทํำยังไงทุกคนฟังอย่างตั้งใจ และที่ดูเหมือนจะเป็นการนัดแนะกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาและถ้าสมมุติว่าวิทยุเรียกกันไม่ได้ยินยิงปืนไปแล้วสามนัดตามที่คุณว่าก็ไม่ได้ยินเสียงปืนใครยิงตอบมาเราจะทํำยังไงผู้ถามคืออิสเบลและก็เป็นคําถามที่มีเหตุผลดีมากระพินยิ้มขรึม ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าโชคของคุณไม่ดียจริงๆตำแหน่งที่คุณหลงพลัดไปน่อยู่ห่างเกินรัศมีที่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะได้ยินเสียงปืนหรือมิฉะนั้นพวกเราคนอื่นๆก็ตายกันไปหมดแล้วถึงตอนนั้นคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดไว้ก่อนจุดสำคัญที่สุดก็คือพยายามมุ่งเข้าหาแหล่งน้า แล้วก็ก่อไฟขึ้นพยายามเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดคุณอาจได้พบพวกเราคนใดคนหนึ่งภายหลังหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นนางพยาไพรมีชีวิตดำรงชีพอยู่ในป่าตลอดไปแต่ที่ทุกคนควรมั่นใจได้ก็คือถ้าผมยังไม่ตายไม่ว่าพวกคุณคนใดจะพลัดหายแยกทางไปอยู่ที่ไหนผมต้องตามพบจนได้นั่นแหละ ช้าหรือเร็วน่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ผมจะเน้นก่อนการออกเดินทางตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็คือในเป้หลังประจําตัวของทุกคนจะต้องมีเครื่องยางชีพเฉพาะตัวพร้อมใครขาดอะไรก็ให้ไปเอามาจากขีปหอสัมภาระส่วนกลางอย่าให้ขาดอะไรที่จําเป็นเลยแม้แต่สิ่งเดียวต้องเตรียมพร้อมสําหรับการพลัดแยกจากหมู่คณะไว้ล่วงหน้าด้วยครับ เพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่ก็ได้ในเส้นทางที่เราจะบ่ายหน้าไปความเงียบบกคลุมไปชั่วขณะแล้วอเมริกานาวูโสอันเป็นหัวหน้าคณะก็ยิ้มเยือกเย็นเอยเสียงห้าวต่ำว่าระพินเราเข้าใจในสิ่งที่คุณบรรยายสรุปไม่ฟังแล้วก็พร้อมแล้วทุกคน แต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าตัวคุณเองอย่าเดินห่างพวกเราเกินไปนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประพินยกมือขึ้นแตะปีกหมดุดครับตกลงครับผมจะพยายามให้ความอบอุ่นใจกับพวกคุณให้มากที่สุดอะ ถ, ถ้างั้นก็โอเคมฟหัวหน้าคณะสั่ง